สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเรซูตอนที่276เรื่องคําอธิษฐานของพรปเยซูครั้งที่51ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพง์ทั้งหลายพี่น้องครับเราชาตินะครับว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดองค์ทรงมีสายพระเนธุ์ อันบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะทอดพผนเทศการชั่วร้ายได้ความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นถือว่าเป็นพระลักษณะที่สําคัญที่สุดของพระองค์และเมื่อวานนี้เราได้คุยนะครับว่ามีหลักอยู่สี่ประการซึ่งผมจะขอทบทวนหลักการทั้งสี่ที่เกี่ยวข้องกับความบาปนั้นก็คือหลักการแรกครับความบาป ทำให้เราต้องสำนึกผิดความบาปนั้นทำให้เราต้องสารภาพประการที่สองครับก็คือหลักของการอภัยโทษการอภัยโทษนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราอันนี้คือเป็นสิทธิอานาจของพระเจ้าในการที่จะยกโทษให้กับผู้ที่โปรงปรานาและมีน้ำพัดไทยในการยกโทษให้ หลักประการที่สามครับก็คือการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุ ป, ปนิสัยที่สําคัญของคริสเตียนและสุดท้ายครับการยกโทษให้แก่กันและกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะนํามาถึงการอภัยโทษบาปของพระเจ้ากับเรา ถ้าเราเข้าใจความหมายของคําทั้งสี่นะครับเราก็จะเข้าใจข้อความต่างๆในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องและหลายหลาครั้งทีเดียวเรามักจะสับสนกับเรื่องความบาปการอภัยโทษบาปการสารภาพบาปและการยกโทษบาปเพื่อนครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่สามข้อที่สิบ โปรดฟังพะเจนะของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลย <c oughs> เราะจะเห็นนะครับว่าในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าเน้นได้ส่งเน้นเพิ่มเติมส่วนท้ายประโยคไว้ว่าไม่มีเลยไม่มีเลยมีความหมายว่า บางคนอาจจะพูดว่าทุกๆคนทำบาปไม่มีผู้ชอบทำเลยยกเว้นแต่ข้าพรงพระเจ้าเน้นว่าไม่มีเลยครับหากว่าพระเจ้าตัดจะเพียงว่าไม่มีผู้ชอบทำสักคนเดียวคนที่พูดว่าอาจจะมีข้าพรงหรืออาจจะมีสักคนหนึ่งแต่ที่นี่พรมพีเน้นครับว่าพระเจ้าย้าเลยครับว่าไม่มีเลยไม่มีเลย ไม่ว่าใครก็ตามไม่มีเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าศาสดาใดก็ตามข้อสิบสองนะครับได้กล่าวต่อไปว่าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดคือเขาทุกคนหลงไปจากทางแห่งความชอบธรรมเขาทั้งปวงเลวซามเหมือนกันสิน้นคำว่าเลวทามนะครับพี่น้องครับคำภาษากรีกมันมีความหมายว่า เปรี้ยวเหมือนนมบูดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นของที่เสียไปแล้วชีวิตของเราหลงผิดไปเราทุกคนนั้นก็เปรี้ยวเหมือนนมบูดครับก็คือเราทุกคนนั้นก็เป็นเสมือนของที่เสียแล้วเป็นอาหารที่บูดไปแล้วเหมือนนมที่เปรี้ยวไปแล้ว ข้อสิบเก้าบอกต่อนะครับว่าเรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนพวกเราทุกคนรู้นะครับว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวในพระคัมภีร์นั้นก็กล่าวกับทุกคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อปิดปากทุกคนอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่มีข้อแก้ตัวครับคําว่าปิดปากทุกคนนั้นมีความหมายว่าไม่มีข้อแก้ตัวเราไม่มีสิ่งใดที่จะพูดเพื่อแก้ตัวได้ว่าเราไม่รู้เราไม่เป็นเราทําไม่ได้แลือยิ่งกว่านั้นอีกครับเพิ่มผีข้อนี้ทําให้มนุษย์ทุกคน ที่อยู่ในโลกนี้นั้นตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าครับข้อยี่บสามนะครับในบทเดียวกันคือรวมบทที่สามได้กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในที่นี้มีความหมายว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับที่พูดมาทั้งหมดนี้พระคัมภีร์กำลังบอกสาระสำคัญอย่างหนึ่งครับก็คือเราทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นทุกคนไม่เว้นจากคนเดียวเป็นคนบาปครับแต่คำว่าไม่เว้นจากคนเดียวในพระคัมภีร์ มีเว้นครับคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเยซูสอนเราให้เราอธิษฐานทูลขอวิงวอนพระบิดาเจ้าโปรดยกความผิดบาปของข้าพรองค์หมายความว่าพระเยซูนั้น กำลังสอนเราให้เราอธิษฐานการยกบาปผิดนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าครับแล้วสังเกตด้วยดีนะครับขณะที่พระเยซูทรงดาเนินอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็เป็นผู้ที่ยกบาปผิดยกบาปผิดให้กับผู้ที่เข้ามาหาพระองค์แสดงว่าแท้จริงแล้วพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ไม่มีบาปโปรงไม่มีบาปดังนั้นโปรงจึงช่วยเราได้คนบาปด้วยกันช่วยกันเองไม่ได้หรอกครับพี่นัครับนี่เป็นหลักการที่สาคัญเราจะมาดูต่อไปนะครับในโรมบทที่ห้า ก็ยังกล่าวต่อไปว่าโดยอาดัมมนุษย์ทุกคนต้องตายและความบาปได้ครอบงำทุกคนนะครับเราทุกคนก็ต้องตายเพราะเหตุที่อาดัมนั้นได้ทําบาปและความบาปได้ครอบงํำเราทั้งหลายทุกคนเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้นะครับไม่มีใครสอนเราก็ทําบาปเป็นเราก็ทําบาปได้ เรามีแนวโน้มที่จะทำบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดาพี่น้องครับความบาปนั้นทำให้เกิดความยุ่งเหยิงทำให้เป็นเหตุที่ทำให้สร้างปัญหาครับความยุ่งเหยิงนั้นเป็นความยุ่งเหยิงไปในสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดเขาเรียกว่าความยุ่งเหยิงทั่วทั้งจักรวาล ความบาปนั้นโจมตีเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ในพระธรรมสดุดดีบทที่51ข้อที่5นะครับดาวิดกล่าวว่าข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความบาปแสดงว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็มีเว้นนะครับความบาปนั้นเข้าไปเกาะกัดกิน ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เป็นเด็กมายิ่งกว่านั้นอีกความบาปนั้นเป็นเจ้าของโลกนี้ครับเป็นเจ้าของโลกนี้และเป็นผู้ที่ปกครองจิตใจของมนุษย์ทุกคนความบาปเป็นนายมนุษย์เป็นทาสความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมจิตใจจิตวิญญาณความคิดคำพูดการกระทำของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยของอาดัมทำให้มนุษย์นั้นตกอยู่ภายใต้คำแช่งสาปของพระเจ้าและเชื้อของบาปนั้นได้แพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงความบาปนั้นสร้างอำนาจของความเสื่อมทรามในชีวิตในวิถีของมนุษย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ต้องตาย เป็นต้นเหตุที่ทําให้มนุษย์แก่เป็นต้นเหตุที่ทําให้มนุษย์เจ็บและมันทําให้มนุษย์พ่ายแพ้ต่อตัวเองพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคพ่ายแพ้ต่อสปปรรพสิ่งทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะควบคุมสปปรรพสิ่งทั้งหลายได้เราสูญเสียอํานาจแห่งความควบคุมเพราะความบาปมนุษย์ ต้องเจ็บป่วยมนุษย์ต้องแก่มนุษย์ต้องตายและในที่สุดมนุษย์จะต้องรับการพิพากษาในให้อยู่ในนรกและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือความบาปนั้นอยู่เบื้องหลังครับเบื้องหลังของความแตกแยกทั้งหลายเบื้องหลังของการไม่ลงรอยทั้งหลาย เบื้องหลังของชีวิตคู่สมรสที่แตกแยกอย่าร้างกันเ <ism>. บื้องหลังของครอบครัวที่ล้มเหลวเบื้องหลังของมิตรภาพที่แตกราวเบื้องหลังของการทะเลาะเบาแววงแย่งชิงเบื้องหลังของความเจ็บปวดเบื้องหลังของความเศร้าโศกเบื้องหลังของความทุกข์ทรมานเบื้องหลังของการแข่งแย่งชิง<ณ>ผมประโยชน์กันการแบ่งพักแบ่งพวกกันการทุจริตและ การแสวงหาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์ทั้งหลายและที่สำคัญที่สุดก็คือความบาปนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความตายพี่น้องครับในเช้าวนันนี้สิ่งที่สำคัญมากก็คือความบาปเป็นรากฐานนะครับให้เรารู้ว่าความบาปนั้นเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหลายทุกอย่างในโลกนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับ ถ้าพี่น้องสังเกตและเก็บรวบรวมอย่างไม่มีอกติแล้วเราจะพบว่ารากเหง้าของปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากความบาปทั้งสิ้นครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีหลักการทั้งสี่ซึ่งผมได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าให้เรานั้นรู้จักความบาปว่าความบาปนั้นส่งผลแย่ส่งผลเลวร้ายและ นำมาซึ่งความตายในชีวิตของเรามันร้ายแรงขนาดไหนเมื่อเราฝังซ่อนความบาปผิดในชีวิตของเรามันได้กัดกินกัดกร่อนทําให้ชีวิตของเรานั้นผุพังไปในที่สุดพี่น้องครับความบาปนั้นเราต้องสํานึกผิดครับเพื่อรับการอภัยโทษซึ่งพระเจ้าประทานให้กับเราการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งจําเป็น และกันยกโทษซึ่งกันและกันนั้นนำมาซึ่งการอาภัยโทษบาปของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน